โราณพรานท่านสาสนิกชนพุทธบริษัทผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุ ก, ท, กทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2548เป็นวันหยุดราชการเป็นวันที่ท่านไม่ต้องไปทำงานทำการจึงได้ใช้เวลา ที่ว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ด้วยการมาวัดเพื่อมาสะสมบุญและกุศลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่จะมาถึงนี้เป็นเวลาที่พุทธศาสนิกชน จะให้ความสำคัญต่อการบำเพ็ญประพฤติตนปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้เพราะเป็นเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะอยู่ประจำที่อยู่ตลอดเวลาสามเดือนคือจะไม่จาริกไปไหนเป็นคำสั่งของพระพุทธเจ้า ที่สรงห้ามไม่ให้พระภิกษุเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงเวลาสามเดือนให้อยู่ประจำที่เพื่อจะได้ศึกษาริ่มเรียนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเกเดือนที่ผ่านมาก็ได้จะริกไปตามสถานที่ต่างๆที่สงบที่สงัดที่วิเวกตามป่าตามเขาเพื่อบาเพ็ญสมมาธรรมเจริญ วิปัสสนาจเจริญสมถภาวนาพอถึงเวลาเข้าพรรษาก็ให้อยู่ตามที่เพื่อที่จะได้มีโอกาสได้ศึกษาร่ำเรียนจากครูบาอาจารย์เพราะว่าแนวทางของพระพุทธศาสนานี้ส่งสอนไว้สามระดับด้วยกันคือการดำเนินการ พุติการปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความเจริญไปสู่ความสุขนั้นย่าต้องผ่านการดําเนินสามขั้นนี้ไปคือขั้นแรกต้องมีการศึกษาริบเรียนพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปริยัติธรรมเมื่อได้ศึกษาริ่มเรียนพระธรรมคําสอนแล้วรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทาอะไร เช่นโดยสรุปพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ละ ง, งะกการกระทาบาปความชั่วทั้งหลายเสียให้ชำระจิตใจของตนเองให้สะอาดหมดจดชำระความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นไปจากจิตจากใจเมื่อรู้แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรก็ดำเนินการขั้นที่สองต่อไป ก็คือนำเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกับกายวาจาใจของตนโดยสแสวงหาที่สงบสงัดที่วิเวกเพื่อจะได้บําเพ็ญพระธรรมต่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพาดเดินมาเรียกว่าปฏิบัติและเมื่อได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็จะก้าวเข้าสู่ขั้นที่สามเรียกว่าปฏิเวทปฏิเว ท, เวทก็คือการบรรลุการสำเร็จการศึกษาการปฏิบัติบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆเช่นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพราะอารหันต์เรียกว่าปฏิเวท หลังจากที่ได้บรรลุธรรมแล้วก็เป็นเป็นไปตามอธัธยาศัยของแต่ละท่านว่าท่านจะนำสิ่งที่ท่านได้รู้ได้เห็นได้บรรลุนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับญาติโยมอย่างไรมากน้อยเพียงไรก็เป็นไปตามอธัธยาศัยของแต่ละท่านแต่ละองค์ บางองค์ท่านก็ถนัดในการอบรมสั่งสอนเผยแผ่ท่านก็ทําการอบรมสั่งสอนเผยแผ่ไปได้อย่างกว้างขวางบางองค์บางรูปท่านก็ไม่ค่อยถนัดท่านก็จะไม่ค่อยได้เป็นที่รู้จักเป็นที่ปรากฏออกมาว่าท่านได้เป็นผู้บรรลุธรรมแล้วนำธรรมที่ท่านได้บรรลุนี้มาสั่งสอนศรัทธาญาติโยมต่อไป นี่คือขั้นตอนของพระพุทธศาสนาเป็นการที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ให้กับผู้ปฏิบัติเองคือผู้ปฏิบัติก็จะได้บรรลุธรรมอันวิเศษตามที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุมานอกจากนั้นก็ยังได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นคือนำธรรมที่ตนเองได้บรรลุได้รู้ได้เห็นนี้ มาเผยแผ่มาสั่งสอนอบรมผู้อื่นอีกต่อหนึ่งทำให้ผู้อื่นที่มีความลุ่มหลงมีความมืดบอดจะได้มีดวงตาสว่างมีปัญญาจะได้ประพฤติตนเองไปในทํานองครองธรรมที่ดีงามเพื่อที่จะนำตนยกตนให้ไปสู่ความสุขความเจริญตาม พระบาทของพระพุทธเจ้าในลำดับต่อไปนี่เป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งกับผู้ปฏิบัติเองและกับผู้อื่นและกับพระศาสนาด้วยเพราะเป็นวิธีที่จะช่วยรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คงอยู่กับโลกไปอีกเป็นเวลาอันยาวนาน เพราะพุทธศาสนานี้จะอยู่ไปได้นานมากน้อยเพียงไรก็อยู่ที่พุทธศาสนิกชนจะสามารถสืบทอดถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าได้หรือไม่ถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุธรรมการที่จะเผยแผ่ถ่ายทอด เพราะทำคำสอนอนเสริฐของพระพุทธเจ้าไปสู่ลูกหลานที่จะตามมาต่อไปย่อมเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียวเพราะเมื่อไม่รู้แล้วจะไปสอนผู้อื่นได้อย่างไรต้องรู้เสียก่อนด้วยตนเองเมื่อรู้แล้วถึงจะสามารถบอกผู้อื่นได้ว่าเป็นอย่างไร เหมือนกับเวลาที่เรามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราต้องไปหายามารักษาโรคของเราเราก็ลองรับประทานยานั้นดูยานี้ดูจนในที่สุดก็ได้ยาที่สามารถรักษาโรคที่เราเป็นอยู่นี้ให้หายไปได้เมื in, ่อโรคนั้นมันหายไปแล้วเราก็รู้ว่ายาชนิดนี้เป็นยาที่ ถูกต้องกับโรคนี้เราก็สามารถที่จะมาบอกผู้อื่นได้อย่างด้วยความมั่นใจคือรู้ว่าไม่ผิดอย่างแน่นอนแต่ถ้าเรายังไม่ได้ทดลองอยาแล้วเราไปบอกผู้อื่นว่ายานี้รักษาโรคนี้ได้เราก็จะไม่มีความมั่นใจเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะรักษาได้จริงหรือไม่เพราะเรายังไม่ได้ทดลอง พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับยารักษาโรคจิตใจของสัตว์โลกจิตใจนี้มีโรคอะไรลุมเ้าอยู่ก็โรคของความทุกข์นั่นเองความทุกข์ความเศร้าสุขเสียใจความวุ่นวายใจความเดือดเนื้อร้อนใจต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นโรคของจิตใจทั้งสิน้นและสิ่งที่จะสามารถเยียวยารักษา ให้โรคจิตโรคใจนี้หายหมดไปได้ก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับยาเรียกว่าธรรมโอสถถ้านำธรรมโอสถนี้มารับประทานเอามาปฏิบัติกับกายวาจาใจของตนแล้วก็จะสามารถชาระทำลายเชื้อโรค ที่มีอยู่ในจิตใจที่เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้หมดไปได้แต่การที่จะเอาธรรมะนี้มาเผยแผ่ให้กับผู้อื่นนั้นผู้ที่จะเผยแผ่ต้องเป็นผู้ที่รู้จริง mm. เห็นจริงเสียก่อนอย่างพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าไม่เคยสั่งสอนใครเลยตลอดเวลาหกพันษา 6ปีที่ทรงบำเพ็ญปฏิบัติเพื่อชำระจิตใจเพื่อรักษาจิตใจให้หายขาดจากความทุกข์ความวุ่นวายใจความเศร้าโศกเสียใจแต่หลังจากที่ได้รักษาใจจนกระทั่งโรคของความทุกข์นั้นได้หายไปอย่างปลิดทิ้งแล้วไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วพระพุทธเจ้าจึงได้นำเอาธรรมโอสถ ยาวิเศษนี้มาเผยแผ่มาแจกใจ่ายให้กับสัตว์โลกทั้งหลายสัตว์โลกผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วเกิดศรัทธามีความเชื่อว่าเป็นยาวิเศษจริงสามารถรักษาโรคใจได้อย่างแท้จริงก็น้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วไม่ช้าก็เร็ว ก็จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆตามลำดับต่อไปแล้วเมื่อได้บรรลุแล้วจึงนำเอาธรรมะที่ตนเองได้บรรลุนี้มาเผยแผ่ให้กับผู้อื่นอีกทอดหนึ่งจึงทำให้พระพุทธศาสนาของเหล่านี้มีอายุยืนยาวนานมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ 2,500 กว่าปีแล้ว แล้วก็จะมีอายุยืนยาวนานต่อไปถ้ามีการศึกษาพระธรรมคำสอนมีการนำเอาไปปฏิบัติมีการบรรลุธรรมแล้วก็มีการเผยแผ่ธรรมตามลำดับต่อไปาศาสนาก็จะอยู่กับคู่กับโลกนี้ไปตลอดมีาศาสนาอยู่ที่ไหนก็มีความร่มเย็นเป็นสุขที่นั่นาศาสนาเปรียบเหมือนร่มโพล่มใส ที่ให้ความร่มเย็นาศาสนาไม่ได้สอนให้คนฆ่ากันไม่ได้สอนให้คนเบียดเบียนกันแต่สอนให้คนมีความรักมีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันมีการให้อภัยต่อกันและกันไม่ให้เบียดเบียนไม่ให้ทําร้ายกันอยู่ที่ไหนที่มีาศาสนา ที่นั่นก็จะมีความล่มเย็นเป็นสุขถ้าที่ไหนไม่มีาศาสนาที่นั่นก็จะมีแต่แตความรุ่มร้อนมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเดือดร้อนดังนั้นเราจึงควรที่จะให้ความสำคัญต่อการดำเนินตามขั้นตอนของพรอพุทธศาสนาเพราะเมื่อเราดำเนินแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์ สำหรับตัวเราเองตัวเราเองจะมีความร่มเย็นเป็นสุขและเมื่อเรามีความร่มเย็นเป็นสุขแล้วเราก็เอาความร่มเย็นเป็นสุขนี้ไปแจกใจ่ายให้กับผู้อื่นอ UM ีกทอดหนึ่งก็ทำให้ผู้อื่นนั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขตามไปด้วยนี่เป็นการดำเนินปฏิบัติของพุทธศาสนาซึ่งมีมาตั้งแต่สมัย พุทธการจนถึงปัจจุบันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเข้าพรรษาชาวพุทธเราจะถือว่าเป็นเวลาที่เราจะตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจมาพุทธปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนให้เข่งคัดยิ่งขึ้นกว่าปกติผู้ใดมีเวลาว่างพอที่จะสละเวลาสามเดือน ได้ก็จะออกบวชกันออกบวชเป็นพระภิกษุบ้างเป็นสามเณรบ้างเป็นแม่ชีบ้างหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาคือใช้เวลาสามเดือนนี้อยู่กับวัดเพื่อศึกษาพระธรรมคําสอนแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนเพราะนี่แหละเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะ ชำระความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ความวุ่นวายใจให้หมดไปได้เป็นวิธีเดียวที่จะพัฒนาจิตใจให้สูงส่งขึ้นไปได้เป็นสิ่งที่ต้องมีการบําเพ็ญต้องมีการปฏิบัติไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้จากความปรารถนาหรือจากการวิงวอนขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อย่างนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นไม่สามารถที่จะยกเราให้เป็นผู้ที่เจริญไม่สามารถมอบความสุขให้กับเราได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถอย่างเดียวก็คือชี้ทางให้เราเท่านั้นเช่นพระพุทธเจ้า พ, พระธรรมสงสงเป็นผู้ชี้ทางสู่สวรรค์เป็นผู้ชี้ทางสู่พระนิพพาน เป็นผู้ชี้ทางสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแต่พระพุพะทธธรรมพระสงค์ไม่สามารถที่จะพาพวกเราลากพวกเราไปสวรรค์ไปพระนิพพานได้เราต้องเป็นผู้ที่ลากพาตัวเราไปเองด้วยความมีความศรัทธาในเบื้องต้นมีความเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเมื่อเชื่อแล้วก็ ให้มีวิริยะคือความภาคเพียรที่จะน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกับกายวาจาใจของตนเช่นทรงสอนให้ทำความดีมีอะไรบ้างที่เป็นความดีก็มีการกระทาที่เกิดคุณเกิดประโยชน์กับผู้อื่นและกับตนเอง ไม่สร้างความเดือดร้อนไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนหรือผู้อื่นเรียกว่าเป็นการกระทําความดีเช่นการให้ทานหรือการทําบุญอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทําความดีเพราะเราทําแล้วมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นมาผู้รับก็ได้รับสิ่งที่ขาดแคลนสิ่งที่จําเป็นต่อการครองชีพดํารงชีพเขาก็ได้รับประโยชน์ เาก็มีความสุขผู้ให้ก็ได้ประโยชน์เพราะเมื่อให้แล้วก็จะมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจเกิดขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทําความดีจึงควรที่จะหมั่นทําบุญทําทานอยู่อย่างสม่ําเสมอถ้ามีโอกาสเพราะการทําบุญทําทานนั้นเป็นเหมือนกับการให้อาหารกับจิตใจให้ความสุขกับจิตใจ จิตใจจะมีความอิ่มเอิบจะมีความสุขก็ต่อเมื่อได้ทําบุญทําทาน<ะ>แล้วก็ทรงสอนให้ละเว้นจากการกระทําบาปกรรมทำหลายบาปกรรมก็คือการกระทาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและตนเองไม่ได้สร้างคุณไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นหรือตนเองเลย<ะ>เช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์ การประพฤติผิดประเวณีการพูดปลดมดเท็ดการเสพสุรายามเมานี่เป็นสิ่งที่เมื่อได้ประพฤติไปแล้วไม่ได้นําไม่ได้สร้างคุณสร้างประโยชน์ให้กับผู้กระทําเองไม่ได้สร้างคุณสร้างประโยชน์ให้กับผู้ที่ถูกกระทําแต่กลับสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับ ผู้กระทาและผู้ที่ถูกกระทายึงไม่ควรที่จะทำบาปทำกรรมแต่ควรที่จะละเว้นแล้วก็ทรงสอนให้เราชำระจิตใจชำระความโลภความโกรธความหลงให้ออกไปจากจิตจากใจเพราะความโลภความโกรธความหลงมันเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับตนเองและกับผู้อื่น เวลาตนเองมีความทุกข์ก็อยู่เมื่อเวลามีความโลภ ก, ก็อยู่ไม่เป็นสุขต้องเล่นลนขวนขวายหาสิ่งที่ตนเองต้องการมาและในขณะที่ขวนขวายนั้นก็จะต้องไปมีเรื่องมีราวกับผู้อื่นมีการแข่งแย่งชิงดีกันมีการทะเลาะวิวาทกันมีการโกรธกันขึ้นมามีการอาฆาตพยาบาทกัน แล้วดีไม่ดีก็จะมีการทำลายร่างกายทำลายชีวิตของกันและกันขึ้นมานี่เกิดจากความโลภพระพุทธเจ้าจึงทรงเห็นว่าความโลภนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นพิษเป็นภัยทั้งกับผู้ที่โลภเองและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยเวลาเกิดความโลภนี้ใจมันจะร้อนเหมือนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมานั่งอยู่ไม่ติดนั่งอยู่ไม่เป็นสุข ต้องไปทำในสิ่งที่ความโลภสั่งให้ไปทำเช่นเดียวกับความโกรธเมื่อเกิดความโกรธแล้วใจก็รุ่มร้อนขึ้นมาเป็นฝืนเป็นไฟปกติเวลาไม่โกรธนั้นใจจะเย็นใจจะสบายแต่พอเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วใจก็มีแต่ความรุ่มร้อนจิตใจแต่แทนที่จะระงับดับความโกรธ กับระบายความโกรธด้วยการกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเช่นไปพูดจาด่าว่าผู้อื่นไปทำร้ายผู้อื่นต่างๆด้วยวิธีการต่างๆเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากความโกรธทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พยายามลดละเสีย ความโลภและความโกรธนี้มันมาจากอะไรพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ามันมาจากความหลงความหลงคืออะไรคือความเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นสิ่งที่ดีเห็นเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ทําให้คนเราต้องไปกระทําในสิ่งที่ไม่ดี วิ่งเข้าหากล่องไฟแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและกับผู้อื่นอีกเช่นอะไรเช่นอบายยมุขทั้งหลายเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นเหมือนกองฟืนกองไฟเพราะถ้าเมื่อไปเกี่ยวข้องกับอบายยมุขแล้วมันก็จะเผาตัวเองแล้วนอกจากนั้นแล้วยัง ตัวเองยังนำเอาไฟที่ได้มานี้ไปเผาผู้อื่นอีกต่ออย่างด้วยสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสื่อมเสียให้กับตนเองและกับผู้อื่นด้วยเวลาเสพสุรายาเมาเข้าไปก็เกิดอาการมึนเมาแล้วก็ออกอาลววาไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นจนในที่สุดตัวเองก็จะต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับเข้าไปสงบสติอารมณ์ในคุกในตารางไม่มีผลดีเกิดขึ้นจากการเสพสุรายามเมาเลยหรือการเล่นการพนันก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะหาเงินมาไม่สามารถที่จะร่ำรวยจากการเล่นการพนันได้มีแต่จะขาดทุนมีแต่จะหมดเนื้อหมดตัวโบราณท่านว่าเวลาขโมยขึ้นบ้าน อย่างมากมันก็ขโมยได้เพียงแต่ข้าวของในบ้านเท่านั้นแต่บ้านกับที่ดินมันยังเอาไปไม่ได้หรือเวลาไฟไหม้ไฟไหม้อย่างมากมันก็ไหม้ได้แต่บ้านกับข้าวของที่มีอยู่ในบ้านเท่านั้นแต่มันไม่สามารถไหม้ที่ดินได้แต่าการพนันนี้สามารถที่จะเอาไปได้หมดเลยทั้งข้าวขอ ง, ท, งทั้งบ้านทั้งที่ดิน พอเวลาเล่นการพนันแล้วเวลาเสียก็อยากที่จะได้คืนเมื่ออยากจะได้คืนก็ต้องหาเงินมาเล่นอีกมีข้าวของในบ้านมากน้อยเท่าไหร่ก็ขนไปขายขนไปจำนำเอาไปเล่นเมื่อเล่นได้ก็ดีอกดีใจก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกก็เล่นอีกเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวก็เสียอีกเมื่อหมดอีกก็ต้องมาขายบ้านเพื่อที่จะเอามาเล่นต่อ ขายบ้านหมดเล่นเล่นจนหมดแล้วก็ต้องเอามาเอาที่ดินมาขายอีกต่อห น, นึ่งขายหมดแล้วทีนี้ไม่รู้จะขายอะไรก็ขายตัวเองขอกู้หนี้ยืมสินเขาไปก่อนแล้วรับปากว่าจะใช้ให้เขาทีหลังแล้วเมื่อเล่นไปจนกระทั่งไม่มีปัญญาที่จะใช้เขาได้แล้วก็หนีเขาก็ตามฆ่าเอาในที่สวยก็ตายไปนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดจากการเล่นการพนันทําไมคนเราจึง ไปหลงผิดเป็นชอบไปเห็นว่ามันเป็นวิธีที่จะนาความน่ํารวยมาให้กับตนเองก็เพราะความหลงนี่เองเมื่อหลงแล้วก็เกิดความโลภเกิดความโลภเกิดความอยากได้เงินได้ทองแบบง่ายๆไม่ต้องไปทำงานทําการให้เหนื่อยยากแต่ไม่รู้หรอกว่าทุกๆคนที่ไปเล่นการพนันก็คิดแบบเดียวกันทั้งสิน้นทุกๆคนก็คิดว่ามันง่ายมันน่าจะได้กัน แต่ในที่สุดมันก็เสียกันหมดคนที่ได้ก็คือเจ้าของสถานที่ที่ก็คอยเก็บค่าเช่าค่าบริการใช้สถานที่เท่านั้นเองแต่คนเล่นนี้เล่นไปเล่นมาก็หมดตัวกันไปหมดนี่แหละคือความเห็นผิดเป็นชอบเป็นอย่างนี้เห็นสิ่งที่เป็นทุกว่าเป็นสุขนะจึงวิ่งเข้าหาความทุกข์วิ่งเข้าหาความวุ่นวายใจ พระพุทธเจ้าจึงส่งสอนให้เราใช้ปัญญาเวลาจะทำอะไรเวลาต้องการอะไรต้องพิจารณาให้ดีว่าเป็นไปตามที่เราคิดหรือไม่เป็นสุขจริงหรือไม่จะนำมาซึ่งความ <c oughs> จเจริญรุ่งเรืองหรือไม่ <c oughs> ถ้าไม่รู้ก็ให้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงรู้มาก่อนทรงผ่านมาหมดแล้วเรื่องราวเหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้พวกเราพยายามอย่าไปเกี่ยวข้องกับพวกอบายามุขทั้งหลายมีการเสพสลายามเมาการเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรและความเกลียดคร้านเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุ ที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมความหายณนะอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนั้นถ้าไม่ต้องการที่จะพบกับความเสื่อมความหายณนะพบกับความทุกข์ก็ต้องพยายามหักห้ามจิตใจเวลาจิตใจมีความอยากที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุขทั้งหลายต้องหักห้ามจิตใจไว้ขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าไว้ เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วปลอดภัยเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญถ้าอยากจะมีเงินมีทองก็ให้ขยันทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีความอดออมได้มามากน้อยเพียงไรต้องสามารถเก็บไปได้ต้องสามารถหาได้มากกว่าที่ใช้ไปถ้าใช้ไปมากกว่าหามาได้ อีกร้อยชาติพันชาติก็ไม่มีทางที่จะร่ำรวยได้แต่ถ้าหามามากกว่าใช้ไปชาตินี้เพียงไม่กี่ปีก็ร่ำรวยเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้อยู่ที่การหาการใช้นี่แหละหาให้มากกว่าที่เราใช้ไปหามาได้เท่าไหร่ต้องสามารถเก็บไว้ได้อย่ามาหาแบบใช้หามาได้เท่าไหร่ก็ใช้ไปหมด ้ามาหากินมากี่ปีกี่ชาติก็จะไม่ร่ำรวยกับเขาเพราะไม่รู้จักหาไม่รู้จักเก็บนั่นเองถ้ารู้จักหารู้จักเก็บรู้จักใช้แล้วก็จะเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องเงินทองแล้วจะเป็นคนที่มีฐานะที่จะสร้างบุญสร้างกุศลให้สูงขึ้นไปได้อีกเพราะเมื่อมีเงินเหลือใช้ ก็สามารถนำเงินนี้มาทำบุญทาทานได้เมื่อทำบุญทาทานก็จะทำให้ภพชาติในข้างหน้านั้นดีขึ้นไปเกิดบนกองเงินกองทองมีเงินทองที่จะสามารถนำไปทำบุญทาทานได้อีกเรื่อย<ม>ๆดัทงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมานในแต่ละภพแต่ละชาติเกิดมาเป็นเศรษฐีเป็นกษัตริย์ก็ มีแต่ทําบุญให้ทานอยู่เสมอๆจึงทําให้เกิดบนกองเงินกองทอง <c oughs> มาตลอดจนกระทั่งทําให้ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็เกิดจากการบาเพ็ญทานบารมีในเบื้องต้นนี้เองเมื่อได้บำเพ็ญทานบารมีแล้วก็จะบำเพ็ญศีลบารมีต่อไปแล้วก็บัญบ ญ, ญาบารมีในที่สุด วนในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกินนี่แหละคือประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์เราสามารถที่จะไขว่คว้าได้ <c oughs> ถ้ามีปัญญามีความเห็นชอบรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแต่ถ้าไม่รู้ก็จะไขว่คว้าแต่สิ่งที่เป็นโทษเป็นทุกข์มาไปตลอด พวกเรานั้นส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่ามรรคผลนิพพานนี่แหละคือสิ่งที่เลิศที่วิเศษที่สุดแต่เรากลับไปมองเห็นพวกลาบยศสารเสริญสุขว่าเป็นสิ่งที่เลิศเป็นสิ่งที่วิเศษแต่ในสายตาของพ่อพระพุทธเจ้านั้นท่านทรงเห็นว่าเป็นเหมือนเศษขยะเป็นเหมือนกองขยะไม่มีคุณไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่จะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจ ให้ไม่รู้จักจบจากสิ้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสละราบยศสลรเสริญสุขที่ทรงมีอยู่ไปหมดแล้วออกแสวงหาความหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการบำเพ็ญทานศีลภาวนาจนในที่สุดก็ได้บรรลุกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้สมบัติอันเลิศอันประเสริฐก็คือ มรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ต้องไปประเชิญอีกต่อไปเพราะได้บรรลุถึงธรรมขั้นวิเศษคือพระนิพพานแล้วเป็นที่ที่มีความสุขสมบูรณ์เรียกว่าปรมังสุขขัง เป็นที่ที่ไม่ต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอีกต่อไปเมื่อได้ทรงบรรลุถึงพระธรรมอันวิเศษนี้แล้วจึงได้นำเอาพระธรรมที่วิเศษนี้มาเผยแผ่ให้กับพวกเราอีกต่อหนึ่ง